มงคลสูตรเนี่ยกล่าวไว้อยู่สองคำพีคือกล่าวไว้ในขุทักานิกายสุตตานิบาตนั้นเล่มหนึ่งส่วนอีกเล่มหนึ่งกล่าวไว้ในขุทักานิกายขุทกั ก, าท ก, ากาปาถะคืออยู่ในพระไตรปิฎกสแสดงไว้ถึงสองแห่งฉะนั้นในสองคำพีดังที่ได้กล่าวไว้เนี่ยเนี่ยเนื้อความในสองพระสูตรเนี่ยเหมือนกัน แต่อัตกถาเนี่ยมีข้อความตอนต้นที่แตกต่างกันก็คือว่าในคุถกะปาถ า, าอัตกถาเริ่มเล่าตั้งแต่วันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานเป็นต้นไปจนมีการสังขยาณาพระธรรมวินัยเป็นครั้งแรกตลอดจนเป็นเหตุให้เกิดมงคลละสูตรแล้วก็รายละเอียดของมงคลแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นไปตามลําดับจนครบ38มงคล แต่ในสุตตนิบาตอัตถกถาเริ่มเล่าตั้งแต่เหตุที่ทำให้เกิดมงคลละสูตรเป็นต้นไปเนะี่ยตลอดจนแจกแจงรายละเอียดของมงคลแต่และข้อจนครบสามสิบแดข้อเหมือนกันเหมือนในอัตถกถาของคุธกาภปาถาทุกประการฉะนั้นคําอธิบายนั้นก็มีใจความที่เหมือนกันทีนี้ว่าเพราะอะไรเพราะผู้ที่รสเจนาเนี่ยอัตถกถาก็คือ พระพุทธโคสาจารย์่องค์เดียวกันสำหรับการเล่าในครั้งนี้นะหรือจะอธิบายในครั้งเนี้ก็จะเริ่มกล่าวในมงคลคณคาถา38ที่พระผู้มีพระภาคจเาจ้าตรัสไว้ก่อนแล้วต่อไปก็จะขยายตามคำพีอัตถกถาเป็นต้นเป็นตามลำดับในสูตรเนี้ยเวลาทำบุญบ้านหรือว่าสวดมนต์หรืออย่างวันก่อนที่สวดมนต์พระท่านก็เอาบทนี้มาสวด ที่ว่าพระท่านสาทยายกันก็คือเนี่ยบทมงคลละสูตรเขาบอกว่าถ้าสาทยายแล้วจะเป็นเหตุแห่งความเจ็ดสุขความจเจริญเป็นต้นยนยะทีนี้ในบาลีก็มีกล่าวไว้บอกว่ายศสาทยายภาษาบาลีเปอาเสวานาจะพารานังปันดิตตานันจะเสวานาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลรมุตมังอันนี้มงคลแรกในในชุดแรกชุดที่สองก็ ปติรูประเทสวะโสจะปะเุเพจักตาปุญญาตาอัตสัมมาปณิธีจ่าเอตัมมังคามุตตะมังชุดที่สามพาหุสัจจัญจะสิปัญจะวินโยจ่าสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคามุตตะมังมาตาปิโตุ ป, าาปัทานนางพุตธารัจจะสังกหูอนาคุลายกรรมันตาเอตัมมังคามุตตะมัง ท่านั้นจะธรรมจริยาจียตะกานั้นจะสังโฆมาตาปิโตปัฏฐานังพุทธตาลาจะสังโฆอนาคุราจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังท่านั้นจะธรรมจริยาเจีาตะกานั้นจะสังโฆอนาวัชานิกรรมมานิเอตัมมังคารมุตตมังอรตีเวรติปาปามัชปานาจะสัญญโมอปมาโดจะทำเมสุเอตัมมังคารมุตตะมัง คารวะจะนิวาโตจะสันตุถีจะกระดานยุตากาเลนะธรรมมสวัณังเอต ม, มังคารมุตตมังขันตีจะโสวจัสตาสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมมสากระฉาเอต ม, มังคารมุตตะมังตโปจะพรมจริยานจะอริยสัจจนะทัศนังนิพา น, น, นสัชิกิริยาจะเอต ม, มังคารมุตตะมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตังยัสมัญกัมปเดียโซกังเวรชังเขมังเอต ม, มังคารมุตตะมัง เนี่ยคือมีอยู่10ชุดที่นี้ในคาถาที่หนึ่งมีอยู่สามมงคลสมมงคลก็นับยังไงคืออเสวนาจะภารานางังการไม่คบคนผ่านนั่นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้อแรกข้อ2ก็ปันดิตตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตข้อที่สก็ปูชาจะปูชฎีนานการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคาถาที่สองก็มีอยู่สามมงคล ปฏิรูปรเทสวะโสการอยู่ในประเทศที่สมควรปุเพจกตปุญญาตาการได้ทำบุญไว้ในบางก่อนหนึ่งอัตสัมมาปณีธีการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งอันนี้มงคลที่สองคาถาที่สองคาถาที่สี่มีคาถาที่สามมีอยู่สี่มงคลพาหุสัจจังการฟังมากสิปังเนี่ยการศึกษาศิลปะวินยโยจะสุสิกิโตวินยที่ศึกษาดีแล้ว สุภาสิตาจะยาวาจาวาจาสุภาสิทอันนี้คือคาถาที่สามคาถาที่สี่มีอยู่สี่มงคลมาตาปิตุอุปถานังการบำรุงมารดามาตะเมืองขอภยัยมาตุอุปถานังการบำรุงมารดาปิตุอุปถานังการบำรุงบิดาปุตตารัสะสังกโหตารสะนี่แปลว่าภรรยาการส่งขอบุตร ปุตตนะี่ยคือบุตรการสงเครอบบุตรและภรรยาอนากุลาเจากรมันตาการงานไม่อากูลข้างทางนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ส่วนในอันนี้เป็นในแรกนะแบ่งมงคลเป็นสี่มงคลในที่สองท่านแบ่งเป็น5มงคลโดยแยกบุตรกับภรรยาออกจากกันการสงเครอบบุตรหนึ่งการสงรงครอบภรรยาหนึ่งอย่างอื่นก็เหมือนเดิมในที่สมท่านแบ่งคถาที่4เป็นสมมงคล คือไม่แยกการบัมรงมารดาบิดาออกจากกันและไม่แยกการสงฆ์บุตรภรยาออกจากกันจึงเหลือเพียงสามมงคลเหมือนกันแต่การนับมงคล38นั้นท่านนับคาถานี้ว่ามีสี่มงคลถ้าเราไม่นับก็จะนับได้ไม่ถึง38ทีนี้คาถาที่ห้าเนมีอยู่สทานนันจะ ก, การให้ทานคือการให้ธรรมจริยาคือการประพฤติ ธ, ธรรม ญาตการนั่นจะสังกโหคือการส่งขอญาติอนาวชานิกรรมมานิก็คือการทําการงานที่ไม่มีโทษส่วนคาถาที่หมีอยู่สามมงคลเงี้ยซื้อสนมนก็มีใช่ไหมมีไหมอารตีวิรตีปาป า, ปาการงดเว้นบาปมัชปานาจะสัญญาโมการสํารวมจากการดื่มน้ําเมาอัปมาโดจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคาถาที่เจ็ด มีอยู่หมงคลอันนี้เยอะ่อยคารวะความเคารพสันตุถีความสันโดษกตัญยุตาความกาตัญญูรู้คุณท่านกาเลนะธรรมสวรรคการฟังทาตามการคาถาที่8ดมีอยู่สี่มงคลขันตีความอดทนโสวจัดสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสมนานันจกทักสนังการได้เห็นสมณะ กาเลนะธรรมสากัะฉาการสนทนาทรตามการส่วนคถาที่เก้ามีอยู่สี่ตะโปแปลว่าอะไ ร, ะไรความเพียรเผากิเลสต บ, บะ น, นี่พระมจริยงังการประพฤติพรหมยัน์อริ ย, ยสัจจาณทัศนังการเห็นอริยสัจนิพานศัสชิกิริยาการทำพระนิพานใน้แจ้งคถาสุดท้ายคือคถาที่สิบมีอยู่สี่มงคล พุทธศาโลกธรรมเมงิจิตังยัสนากรรมปติเนี่ยจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งแล้วไม่หวั่นไหวหนึ่งอโศกังความไม่เศร้าโศกหนึ่งวิราชังจิตที่ปราศจากทุลีคือกิเลสหนึ่งเขมังจิตที่ถึงความกเกษมจากโยคะหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้นี่จบแค่เนี้ยแต่ที่พระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้คนได้บรรลุกันแค่นี้พระพุทธเจ้าพูดมงคล38ประการพอจบปุ๊บก็ นกก็ได้บลัทีนี้ยังจะขอเล่ามงคลลสูตรตามอัตถกถาของปรมัตถโชดิกานีที่แก้กุตกาธิกายกุตกาปาถะในอัตถกถาท่านเล่าไว้บอกว่าท่านผ้านนนได้กล่าวพระสูตรนี้ไว้ในคราวที่ทําสังคยนาครั้งแรกโดยกล่าวว่าได้ฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้ในการสังคยนาในครั้งแรกนั้นเน่ยก็ควรทราบความเป็นมาตั้งแต่ต้นโดยแกมแจ้งนะย เพื่อความฉลาดในเรื่องราวที่ทำให้เกิดพระสูตรทั้งปวงแล้วก็ความเป็นมาตั้งแต่ต้นว่ามีอย่างไรนี่ น, นะฉะนั้นก็ก็ต้องทาความเข้าใจตรงนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทาพุทธกิจเริ่มตั้งแต่การแสดงธรรมจักกับปรวัตนสูตรวันก่อนพระที่เขาไปที่อินเดียมาก็ม า, มานั่งลห้ฟังเราไม่ได้ไปกับเขาก็ได้ อ, อนุโมทนากับเขา อินเดียเนี่ยพอพูดถึงแล้วเปนมีมนค้างปแปลกๆเนี่ยใครไปแล้วก็อยากจะไปอีกถามว่าไมเพาะ อ, อะไรคมไม่รู้คือคือไปที่ไหนในทั่วโลกเนี่ยเขามันเห็นแบบใดก็มกักจะเห็นแบบหนึ่งไปเลยแต่ถ้าไปอินเดียนี่ไหมโดยมากคนส่วนมากั้าไปกันแล้วก็จะต้องคิดบอกว่าเจ้ะคุณก็เกิดชาติหน้าวนาันใดเพะยังได้มาเกิดทุกยากลาบากอย่างนี้เลย ก็จะอธิษฐานกันอย่างนั้นกลัวเลยก็รีบทําบุญกันใหญ่หมงไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกแล้วใช่ไหมมีคนคนหนึ่งเข า, เ, าเขาเาก็ไปปฏิบัติเขาไม่ไปที่ไหนเลยนะเขาบินไปที่พุทธคยาแล้วเขาก็ไม่ไปตามทัวก็เขาเ า, า, าอยู่ปฏิบัติที่นั่นตอนเช้าก็ไปไปแต่นี่ก็เลยทางวัดไทยพุทธคยาเขาก็กจ้างแขกให้คอยดูแลความปลอดภัยให้ด้วยเพราะว่ากแกเป็นโยมผู้หญิง แกไปก็ไปนั่งกรรมาฐานทุกคืนทุกคืนไปนั่งนี่แขกเขาก็ดูแลดีนะเพราะว่ามีคนเขาคงให้ค่าจ้างรางวัลไว้ก็ก็ดูแกก็เลยนึกว่า เ, ออเดี๋ยวจะต้องซื้อเสื้อซื้อเสื้อให้แขกแจกเขาแจกคนละตัวละตัวพวกที่เขาคอยอำนวยความสะดวกเนี่ยเขาก็สั่งไว้นักหนาบอกจะไปให้มันนะ <c oughs> ถามว่าทําไมถ้าให้แล้วเขาไม่หยุดแค่นั้นเน่ะ เขาก็อยากจะทดลองดูว่าจะจริงมั้ยปกถ้าหากว่าให้เสื้อเขาจะต้องมาแล้วก็จะต้องขอของเกง่งจะขอของเกงเสร็จเสก็จะต้องขอรองเทา้าขอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่มันคือคือลักษณะของแขกจะต้องเป็นแบบนี้เขาก็ลองทดลองดูเขาบอกเหมือนจริงยังว่าเลยก็ว่างกันหนึ่งพอให้เสื้อไปแล้วทีนี้ตามมาด้วยของเกง่งเดี๋ยวตามมาด้วยรองเท้าไปเรื่อยไม่หยุดเขามันเป็นศิลปะมันเป็น ม the so you. You <laughs> ันเป็นวิธ <Kaf i |notimestamps|> ีการของเขาเนี่ยเราจะไม่ให้เขาก็ได้เขาเคยบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องขอฉะนั้นคุณจะใจแข็งไม่ให้ก็เรื่องของคุณแต่เราก็จะทำหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์ที่สุดเมย์จะเอามาประพฤติรมดีๆอย่างนี้ในวิธีคิดแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็จะประพฤติรมเนี่ยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทาพุทธกิจเริ่มตั้งแต่ทรงแสดงธรรมจักรกปวัตนสูตร ไปจนกระทั่งแสดงทำโปรดสุภัตถะปริพาชกให้เป็นพระอรหันต์ในวันที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นที่สุดทีนี้ว่าในการที่ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานในระหว่างที่ต้นสาระคู่ในอุทยานของพระเจ้ามัลละใกล้กรุงกุสินาลาในเวลาใกล้รุ่งของวันเพ็ญเดือนวิสาขะก็คือการันเทินกลางเดือนหหนึง่งในวันปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคจเจ้านั้นน่ย มีภิกษุไปไประชุมนมกันอยู่เจ 0,000 รูปอันนี้เจ็0 0 0นรูปนั่นแบบไม่ได้บอกข่านะที่รู้เราไปกันเองเนี่ยมีท่านพระมหากัตสปะหรือพระมหากรตศพเป็นประธานท่านพระมหากัตศพประลึกถึงคําที่สุพัทะภิกษุที่บวชเมื่อแก่ได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระผู้เมียภาคเจ้าปรินิพานแล้วในเจ็ดวันว่าท่านทั้งหลาย อย่าได้เศร้าโศกปริเทวานาการไปเลยเวลานี้เป็นเวลาที่เราทั้งหลายพ้นดีแล้วคือสบายดีแล้วเมื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงมีพระชนอยู่เนี่ยพระองค์ก็ทรงห้ามว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรบัดนี้เป็นโอกาสดีที่จะทําได้ตามความประสงค์อยากทําสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้นไม่อยากทําสิ่งใดก็ไม่ทําสิ่งนั้น ท่านพระมหากรศบเนี่ยได้ฟังแล้วก็เกิดความสลดสังเวชจได้เล่าเรื่องนี้ให้ที่ประชุมสงฆ์ได้ทราบท่านดำริบอกว่าการที่ภิกษุทั้งหลายผู้ลามกลบหลู่คาสั่งสอนของพระศาสดาเมื่อได้พวกมากก็จะทำให้พระสัตธรรมตั้งอยู่ได้ไม่แ น, น่นจากอันตรทานไปหากพระธรรมวินัยดารงอยู่ตราบใดคาสอนของพระปรมาสดาก็จะดำรงอยู่ตราบนั้น ท่านคิดท่านพูดอย่างนี้นะข้อ น, นี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ท่านพระอ น, นุ์ไว้ว่าดูก่อนอนะ น, อนุนทำและ ว, วินัยใดที่เราตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทำและ ว, วินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอในการเมื่อเราตถาคตล่วงรับไปแล้วเหตุเนี้เมื่อมีเหตุที่ภิกษุกล่าว จ, วจากพ้วงจากพระธรรมวินัยขึ้นเนี่ยนะ เราจึงควรรวบรวมพระธรรมวินัยมีท่านพระมหากสะจศท่านท่านคิดเพื่อความมั่นคงแห่งพระศาสนาเมื่อพระศาสนาหรือเพื่อพระศาสนาจะได้ยืนยาวต่อไปเนี่ยก็พระผู้มีพภาคเจ้านั้นทรงแรกเปลี่ยนจีวรของพระองค์กับเราทั้งที่จีวรของพระองค์ไม่ควรจะมีใครใช้ร่วมด้วยแต่พระองค์ก็ยังทรงแรกเปลี่ยนกับจีวรของเราในพระมหากระจศท่านคิด พระองค์ยกย่องเราว่าเป็นผู้เสมอกับพระองค์ในอุตริมนุสธรรมคำว่าอุตริมนุสธรรมก็คืออนุ ป, ปุปภวิหารสมาบัติ9และก็ภิญญาหอนุปปภปภวิหารสมาบัติ9ก็มีปฐมฌ า, านทุตีตตีจะจะตุตถฌานแล้วก็อากาสาปิญญากินเนวะเป็น8 9ก็คือนิโรธาสมาบัติอันนั้นแหละเขาเรียกว่า อนุปพาวิหารสมาบัติกาลและก็อพินยา6กมีที่ประจักหขู่เป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจำนงจะเข้าบัถมฌานอันสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่เพียงใดเราก็ย่อมอยู่ได้เพียงนั้นแม้กัดศบก็เช่นกันจานงจะเข้าบถมฌานอันสงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจญาณปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นานเพียงใดกสบก็ย่อมอยู่ได้เพียงนั้นเท่านี้เป็นต้นเพราะเหตุไรท่านพระมหากระสบจึงทรงกล่าวอย่างนี้การที่พระมหากรสบกล่าวอ้างที่พระผู้มีภาคเจ้าอย่างนั้นยกย่องเท่านั้นก็เพื่อให้บรรดาภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่นั้นเกิดอุดสาหาในการสังขยานาบรธรรมวินัยเนะ ด้วยว่าสิ่งอื่นนอกจากการรวบรวมพระธรรมวินัยไม่สมควรเหตุนันพระผู้มีพรภาคเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในฐานะผู้รับมรดกคือรับรักษาพระธรรมวินยัยเปรียบเสมือนอัไรละเปรียบเสมือนพระเจ้าจั ก, กรพรรดิตั้งพระราชโอรสองค์ใหญ่ไว้สืบราชสมบัติด้วยทรงประทานพระราชอิทยาศของพระองค์ฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมอบจีวรของพระองค์ให้แก่พระหมหากสบเมื่อตั้งท่านไว้ในฐานะผู้รักษาพระธรรมยินัยฉันนั้นฉะนั้นท่านพระหมหากระสบเนี่ยคิดถึงเหตุสี่ประการคือว่าคิดถึงเรื่องการกล่าวจ่วงจาบพระธรรมยินัยของพระสุภัพทาภูธาบรนเบชิตนี่ข้อหนึง่งแล้วก็คิดถึงดําหลัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัส ก, ก่พระอนนท์ในข้อหนึง่ง แล้วก็คิดถึงเรื่องที่พระผู้มีพภาคเจ้าแรกเปลี่ยนจีวรกับท่านนั้นข้อหนึ่งประการต่อมาคือคิดถึงการที่พระผู้มีภาคเจ้ายกย่องท่านว่าเสมอกับพระองค์ในอุตรีมนุษยธรรมอีกข้อหนึ่งฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุสประการเนี่ยนะท่านพระมหากรรษต์บเนี่ยจึงมีความคิดหรือแนวคิดบอกว่าเออต้องรวบรวมมรทำที่ไหนละใช่ไหมเหตุสี่ประการคือมูลเหตุใหญ่เลยก็คือว่า พอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธบริณิพานแล้วเจ็ดวันเนี่ยสุภัทธาวุฒาวัระชิตเนี่ยกล่าวจ้วงจาเพื่อทำวินัยนี่ข้อแรกเลยคิดเนี่ยเหมือนบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนว่าคนเป็นลูกเนี่ยเนี่ยคนเป็นลูกอยู่ในตระกูลเดียวกันเนี้ยพอพ่อแม่ตายไปได้เจ็ดวันเนี่ยก็มีลูกคนนึงเนี่ยขึ้นมาตําหนิพ่อแม่โอ้ดีแล้วเนี่ยแม่พ่อแม่อยู่คอยตําหนิว่ากล่าวตักเดือนเรา แต่ตายไปเสียได้ก็ดีไงเนี่ยไอต้ตรงเนี้ยลูกที่เป็นคนโตเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยทำยังไงเราจะรักษาคําสั่งสอนของพ่อแม่ไว้ทํำยังไงจะรักษาบรดกของพ่อแม่ที่ให้ไว้ให้ได้อะไรเงี้ยก็เลิก็เลยมีการประชุมอันนั้นเป็นความคิดข้อแรกส่วนความคิดอีกข้อนหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้แก่พนนนระนรนดูก่อ น, น, นอานรนทำเวลาวินัยใดที่เราจะถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอ ธรรม ว, วินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอในการเมื่อเราแต่ถาคตรล่วงลบไปแล้วเออพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าล่วงลบไปแล้วเนี่ยใครจะแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกพระธรรมวินัยไงคือว่าตรัยปีดกเนี่ยฉะนั้นถ้าในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมถ้าเราถามบอกว่าพระบรมศาสดาเสด็จดับกันเทะริทิพานไปแล้วเนี่ยเราควรเคารพใครบอกเคารพพระธรรมวินยัยพระธรรมวินัยนั้นถือว่าเป็นศาสดาก็มี ก็บอกว่าหนึ่งพระธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์วันก่อนเนี่ยไปที่วัดอีจากแดงโยมกลุ่มโยมเขาเขาใช้ทองคำํำเขามีสตางยิงนะใช้ทองคําเป็นแผ่นขนาดเนี้ยทําเป็นแผ่นแบบใบลานเลยเข า, เาไปให้รู้สึกจะเป็นลงที่ทาทองเขารีดเป็นแผ่นทําเป็นแผ่นใบลานแบบเปิดได้เลย เอาทองคำได้แท้เนี่ยนะไปทําเป็นแผ่นเบ็เสร็จแล้วก็ไปแกะเป็นตัวหนังสือแกะเป็นบทไอ้มาดิกาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์เขาแกะจนครบเลยนะบอกเหมือนนายจะหมดหลายสิบล้านนี่เขาศรัทธาก็ทําเสร็จแล้วก็เขไปบรรจุไว้ในพระธาตุเนี่ยอันนี้บ่งบอกถึงศรัทธาก็เนยะเพราะเขาคิดยังไงเขาคิดว่าหนึ่งว่าธรรมะขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ เขาก็เลยจารึกเขาว่าในสัคนโบราณเนี่ยนะถ้าเราไปดูตามเจดีเก่าๆที่ไปขุดค้นพบแหล่งเนี้ยที่จะเจอสิ่งต่างๆทีเป็นทองคำนั่นน่ะนั้นเขาออกสิ่งที่มีค่าที่สุดในความรู้สึกของเขาเนี่ยจารึกจารึกเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้เขาถือว่าเขาได้สร้างพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์หนึ่งพระธรรมขันธ์นี่ก็สร้างกี่รธรรมขันธ์เนี่ยพระพิธรมพิฎกมี8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ เขาก็สร้างเออขออภัยไม่ใช่แปดหม4่นสี่หมื่นสองพันไม่ทำมากันก็ถือว่าสร้างพระพุทธเจ้า4 000, 000ี่หมสองวันงก็ถืออย่างนั้นทีนี้คิดถึงดํารัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเก็บผ้าอ น, นุ์ประการที่สามก็คิดเรื่องที่พระผู้เผยพระเจ้าแลกเปลี่ยนจีวรกับท่านบอเออเนี่ยไม่มีเลยนะที่พระพุทธเจ้าจะทรงแลกเปลี่ยนจีวรกับใครพระมหากรสอบท่านระลึกถึงว่ามีเหล่าตนนั้นและประการต่อมาพระพุทธเจ้าก็ ยกย่องท่านว่ามีอุตตริมนุสธรรมเสมอกับพระพุทธเจ้าก็แปลว่าสามารถเข้าสมาบัตดได้นานเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเท่าประการต่อมาคือว่าจึงได้กล่าวแก่ภิกษุเจ 0,000 รูปที่มาประชุมกันเพื่อเกิดอุตสาหะในการกระทําสังขยาณาพระธรรมวินยัยซึ่งภิกษุทั้งหลายก็เห็นด้วยก็ขอให้ท่านพระมหากระสนเนี่ยคัดเลือกภิกษุทั้งหลายเพื่อที่จะได้รวบรวมพระธรรมวินยัย ท่านพระมหากสอบก็เลือกได้พระอรหรันติทรงพระไตรปิฎกแตกฉานในปฏิสัมพิทาสอัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุติปฏิสัมพิท า, าปฏิภาณปฏิสัมพิทานี่นะซึ่งอยู่ในที่ประชุมนั้นเนี่ยสี่รลูกในจํานวนนั้นมิได้มีพระอรหันติที่เป็นสุขาวิปัสสกะเลยก็แปล ว, ว่ามีแต่เป็นพระอรหันติที่แตกแตกฉาน แต่ฉานอภิญญาทั้งนั้นเลย499องค์ขาดหนึ่งองค์จะครบ500เพื่อเว้นที่ไว้ให้กับพระลัาธพระนนท์เพราะถ้าขาดพระนนการสังคยนาก็ย่อมดาเนินไปไม่ได้เนื่องด้วยพระนนทน์เป็นพระหูสูตรแม้พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ได้เสมอกับท่านในเรื่องนี้เพราะไม่ได้มีพระอรหันต์องค์ใดได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพภาคยาวว่าเป็นพระอูสูตรดังที่ยกย่องพระนนว่า ว่าเป็นพระหูสูตรนั่นเองการที่ท่านพหากษัตริยังคัดเลือกท่านมิได้เลือกท่านพระนนในขณะนั้นเนี่ยเพราะว่าท่านสมควรแก่ตําแหน่งแห่งการสังฆายาอย่างยิ่งก็เพราะท่านพระมหากษัตริเนี่ยเกงรงทาคราหาของผู้อื่นที่จะกล่าวหาท่านว่าท่านเลือกท่านพระนนเพราะเห็นเก่นหน้านี่เนื่องด้วยวคุ้นเคยกับพระนนท์ทีนี้ท่านพระนนเนี่ยเป็นพระนุชาของพระพุทธองค์หนึ่ง ทั้งผ้าอนน์เนี่ยยังเป็นเศษข บ, บุคคลคือเป็นเพียงแค่พระโสดาบันหนึ่งเมื่อท่านพระมหากระสนยังไม่ได้เลือกท่านผ้าอนนบรรดาภิกษุทั้งหลายซึ่งเห็นความสำคัญของผ้าอนนต่างก็อ้อนวอนให้เลือกผ้าอนน์บอกโอ้ให้เลือกมาได้แล้วเพื่อจะให้ครบห้าร้อยลูกซึ่งท่านพระมหากระสนก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะท่านตั้งใจจะเลือกอยู่แล้วแต่ท่านไม่อาจจะเลือกเองได้ด้วยเกรงคํากระหาเมื่อในที่ประชุมเลือก ก็เป็นอันหมดข้อข้อละหานี่นะนับว่าเป็นความฉลาดของด้านพระนลเอพระมากระสมอย่างยิ่งนี่เมื่อได้ครบทั้งห้าร้อยองค์แล้วเนี่ยนะก็ตกลงกันบอกว่าีจะไปทําสังขยาณานะที่ไหนก็บอกต้องไปทําที่เมืองราชคฤเมืองราเจคฤเนี่ยที่ภูเขาคิชฌกูฏเนี่ยที่พระพุทธเจ้าประทับเนี่ยตรงนั้นแหละคือเมืองราเจคฤ ใช่ไหมที่เราขึ้นไปนะใครไปก็ต้องเคยนั่งเสี่ยงว่าขึ้นไหวเนะย๋อขึ้นไหวแสดงว่ากำลังดีบางคนไปองไม่ไหวแล้วต้องหามเวลาเดินขึ้นไปแล้วอากาศมันเหลือน้อยมันจะหายใจจุกจุกจุกจุ ก, จกแน่แนๆ่าเงีนอไม่ต้องหามเลยนะแสะดงแข็งแรงถ้าอีกสี่ห้าปีไปสงสัยต้องหาม พอที่เมืองราชคลือเนี่ยมีอาหารบิณทบาทหาได้ง่ายเสยนาสนะสําหรับภิกษุก็เพียงพอแต่มีให้ภิกษุอื่นๆเข้าไปจำพรรษาในเมืองราจาคฤือดสา ป, ปนกับภิกษุสงฆ์ที่รับคัดเลือกห้าร้อยนั้นด้วยเกรงว่าภิกษุบางรูปที่ทําตนเป็นฆ่าศึกต่อพระธรรมวินัยก็จะเกิดอันตรายแก่พระธรรมวินัยก็เลยมีมติให้ภิกษุห้าร้อรูปที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้นจำพรรษาอยู่ในเมืองราชคลือ ด้วยประกาศยัติทุติกรร ม, มาวาจาคือเวลาพระสงฆ์ท่านจะทําสังฆกรรมอะไรกันเนี่ยท่านก็จะสวดประกาศสุนาตุมีพันเตสังโคเว้นต้นเหล่านี้นะขอสงฆ์จงฟังเข้าไปยาอมเงี้ยบอกว่าในในราษานี้ภิสูจนที่จะจําบรรษาในเมืองราชครือได้ก็ต้องมีเฉพาะห้าร้อยรูปที่ถูกคัดเลือกนี้เท่านั้นนะนอกนั้นไม่ให้ย่บรรษาคือกลัวจะมาเป็นอันตราย ทีนี้ห้ามภิกษุอื่นจำบรรษาในเมืองราชสกนี้เป็นการประชุมตกลงกันที่เมืองกุสีนาราและในขณะที่ประชุมกันนั้นก็ยังไม่ถึงเวลาเข้าบรรษาด้วยทีนี้เมื่อพระบรมศา ส, สดาสเสด็จ ด, ดับขันธบริิพานแล้วในเมืองกุสีนาราเนี่ยได้มีการละเล่นมหมอลเรศบูชาพระผู้เมียภาคเจ้าตลอดเจดวั น, เ, นเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็ได้มีการบูชาพระบรมธาตอีกเจดวัน รวมทมบูชาครึ่งเดือนอีกเดือนครึ่งจะถึงวันเข้าพรรษากลางเดือนแปดด้วยเหตุนั้นท่านพระมหากระสบจึงได้พาพระอาหารหันต์รรูปที่เป็นองค์สังคยนณาเดินทางจากเมืองกุศินร า, าไปเมืองราชครื้ส่วนท่านพระนุรุทธะก็พาภิกษุสงฆ์ที่เหลือเดินทางไปอีกทางหนึ่ง ท่านผ้าโ น, นนนั้นถือบาทและจีวรของพระผู้เมียผ้าเจ้าไปที่กรุงสาวัตถีระยะการเดินทางเนะี่ยไม่ใช่ใกล้ๆเนะจากกุสินลาไปสาวัตถีไปเชตาวันเนี่ยพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเมื่อท่านผ้าโนนเดินทางไปถึงที่ใดก็มีแต่เสียงปริเทวนาการใหญ่ของฝูงชนที่ถามถึงว่าเถีละคือตอนนั้นนะ่ยคนไม่ค่อยเป็นอันทำมาหากินอะไรกันแล้ะ พอทราบข่าวการปริรณิพานของพระผู้มีพระภาคย้าก็ระงมกันเลยเนะี่ยแปลว่าร้องไห้ข้าแต่ท่านพระนรนท่านเอาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปไว้ที่ไหนอคําพูดคําเนี้เนะี่พอคนที่มีสติระลึกอะไรได้มากๆเนี่ยถ้าสูญเสียอะไรแล้วเนี่ยจะจะเสียใหญ่ถ้าเป็นบุรุษชนแต่พระนรินทร์นัเป็นพระเสขานี่เนี่ยทั้งๆก็มีสติดีพอสมควรแต่ท่านพระนรนเนี่ยจะจําได้หมดเลยนะ พระพุทธเจ้าเคยพูดอะไรไว้ไม่ใช่จำแบบธรรมดานะจำแบบเหมือนอัดเทปอะจำแบบถ่ายทอดทุกคำเลยท่านพ่านรนจำแบบนี้ลองคิดดูเนะี่ยที่นั่งแสดงทำเรื่องอะไรแสดงแก่ใครที่ไหนแล้วเมื่อแสดงแล้วใครได้บรรลุเนี่ยเวลาเช้าสายบ่ายเย็นเป็นยังไงต่อไปพระพุทธเจ้าก็ไปเสด็จจงกรมออกจากเสด็จจงกรมแล้วเข้าพระคันธกุดีออกจากพระคันธกุดีก็ สงฆระวักายอะไรต่างๆในบ้านนนจะรู้รายละเอียดเกี่ยวไว้ยิบหมดเลยแม้แต่คําสอนว่าแสดงทำเรื่องอะไรที่ไหนอย่างไรไหนึ่งท่านบ้านนจะจับได้มีสติระลึกได้รวดเร็วมากเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่าให้ท่านบ้านนค่อนข้างได้เห็นที่ตรงไหนก็ความโศกก็เกิดเดยอะเสียงปริอเอเทวนาการใหญ่นั้นมีตลอดทางที่ไปเมืองสาวัตถีลาวกับว่า เป็นวันปริญญนิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านผ้าโนนก็แสดงธรรมอันประกอบด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปลอบใจฝูงชนไปตลอดทางปอบตนเองด้วยปลอบคนอื่นด้วยเนี่ยนิพผ้านนจนกระทั่งถึงพระคันธกุดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเชตวันเมื่อไปถึงพระคันธกุดีแล้วเนี่ยท่านก็เปิดประตูยกเตียงต่างออกมาปัดกวาดพระคันธกุดี เก็บดอกไม้แห้งๆออกมาทิ้งทำความสะอาดยกเตียงตัางก็ไปตั้งไว้ที่เดิมท่านเคยปฏิบัติอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นนั้นเวลาไปถึงพระคันณกุดีที่ภูเขาคิชกูที่ยังเหลืออยู่เนี่ยโอ้ยคนก็เอาของไปบูชากันเต้บางคนก็ไปปัดไปกวาดถือว่าไปบูชาพระพุทธเจ้านีาเสมอเหมือนว่าพระบรมศาสดา ย, ยังมีพระชนอยู่ เป็นไปลักษณะอย่างนั้นท่านปฏิบัติเมื่อพระผู้มอภาคเจ้าปรินิพนธ์แล้วหลังจากที่พระผู้มีภาคเจ้าปรินิพนธ์แล้วท่านพ้านนทก็ใช้อียาบทไม่สม่ำเสมอคือยืนกับเดินมากร่างกายก็หนักในที่สุดจริงๆท่านก็ต้องฉันยาถ่ายแล้วก็นั่งอยู่ในวิหารในวันลุ่งขึ้นด้วยเหตุเนี้ยเมื่อสุภาพมานก ให้คนไปนิมนต์ท่านไปที่บ้านท่านผ้านนนจึงขอเลื่อนเป็นวันต่อไปเพราะวันนั้นท่านชันยาถ่ายเรื่องนี้เล่าไว้ในสุภาสูตรทีคณิการสีระขันธวัชสูต ร, รที่สิบต่อมาท่านก็ได้ซ่อมแซมพระวิหารที่ชำรุดให้กลับดีที่จริงที่แรกเลยเนี่ยท่านไม่มีกระจีกระจายทำอะไรแล้วมัวโศกกับคนที่ไปที่มาเห็นหน้ากันก็ไม่ได้ร้องงมร้องไ ห, ห้อะไรต่างต่างกันเนี่ย นักจ น, จนเทวดามาเตือนนะพอเทวดามาเตือนเบเ็ดเสร็จก็นึกในใจว่ากว่าเนี้ต่อไปพวกไอ้เดรัทีก็จะตำหนิเอาว่าพวกร ม, มาศาสสดานิพพานแค่นั้นแหละสาวกของพวกไม่มีพระเจ้าไม่มีอันธามอะไรเลยปล่อยกุฏิวิหารลกรุงลังว่งั้นนะก็ก็ประชุมกันแล้วก็ใจแข็งขึ้นมาทำการงานกันใหม่นั้นท่านก็เลย ซ่อมแซมพระวิหารที่ชํารุดให้กลับดีทีนี้เมื่อใกล้เข้าพรรษาท่านก็เดินทางไปกรุงราชคกลือจำพรรษาอยู่ในกรุงราชคกลือพร้อมด้วยท่านพระมหากะสะศกและท่านพระนุรุท ธ, ธะและภิกษุสงฆ์ที่จะทําสังขญาณารวมความก็คือภิกษุ500รอรูปที่กระทําสังขญานานั้นจําพรรษาในกรุงราชคกลืแล้วคันในกรุงราชเกลืนะมีวิหารอยู่18วิหาร ก็คือวัดอยู่สิบดวัดเนี่ยวิหารเหล่านั้นน่ยรกล้างด้วยถูกทอดทิ้งมานานแต่ถ้าทุกวันนี้ไปยิ่งรกล้างใหญ่เลยหาไม่ได้ไม่เจอเลยต้องขุดที่จริงเมืองราชเกลือมันยังอยู่ใต้ดินนะเขาไม่ยอมขุดถ้าเขามีงบประมาณก็ขุดลงไปสักเป็นยี่สิบสาสิบเมตรเนี่ยจะเจอทั้งนั้นเลยนั้นเจาะไปที่ไหนก็เจอในอินเดียเนี่ยเมืองเก่าวัดนเลยวิหารเลย อะไรต่างๆมันยังอยู่ครบเลยแต่ว่าเขายังไม่มีงบประมาณที่เขาไม่ทํากันจริงจังที่จะขุดลงไปถ้าอยู่ในประเทศไทยก็โอ้โหวันนี้เจาะขุดกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะภิกษุทั้งหลายได้ไปที่กรุงกุสินาราแต่เมื่อครั้งพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จดับขันธบริณพานแล้วเนี่ยพระเทราทั้งหลายจึงคิดว่าพระผู้มีภาคเจ้าสรเสริญการซ่อมแซมพระวิหาร่ชํารุด จึงได้ซ่อมแซมพระวิหารในเดือนแรกของภัรษาเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าและเพื่อจะลบล้างคำติเตียนของพวกเดรธีที่พึงกล่าวกันบอกว่าสาวกของพระสมณะโคดมบารุงรักษาพระวิหารเฉพาะในเวลาที่พระผู้มีพระภาคยังประชนอยู่เท่านั้นคั้นพระบรมศ า, าสดานิพพานแล้วก็พากันละเลยไม่อาจเอาใจใส่ดูแล เมื่อเข้าเดือนที่สองของพรรษาจึงจัด ก, การทำสังขยาณวะธรรมวินัยเมื่อคิดดัง น, นี้แล้วบรรดาพระเถระทั้งหลายก็ไปยืนอยู่ที่ประตูพระราชวางังเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูถามถึงเหตุที่มายืนก็ถามก็ทุนบอกว่าขอช่างสําหรับซ่อมแซมพระวิหารในยุค ก, ก่อนเนี่ยพระท่านไม่ค่อยท่านไม่ทำเอ ง, เองนะท่านจะขอ mm. ขอแรงจาก คนที่สามารถก็ที่ศรัทธาเป็นต้นเหรอในยุคปัจจุบันนี้พระลงไปลุยธทมไม่ดีไม่ถูกแต่จริงๆรมก็ทำได้นะปัดกวาดทาอะไรเบียเสดเนี่ยเขาแต่ถ้าไปถึงขนาดขุดลุ้มทำอะไรไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรแล้วพระราชาก็ทรงประทานให้เมื่อการซ่อมแซมพระวิหารเรียบร้อยแล้วในเดือนที่สองก็เข้าไปเฝ้าพระช า, ชาพระเจ้าชาติศัตรูอีก ขอความอบปะถะธรรมในการสังขยาณาพระเจ้าชาติสโตตรัสว่าสาธุธุระเกี่ยวกับอาณาจักรเป็นหน้าที่ของโยมธุระเกี่ยวกับธรรมจักรอันเป็นหน้าที่ของวาคุณเจ้าทั้งหลายใช่ไมอณาจักรนี่เป็นเรื่องของพระเจ้าแว่นดินถ้าธรรมจักรนี่เป็นเรื่องของพระธรรมจักรคืออะไรคือกองร้องแห่งธรรม ที่เขาทําเป็นกรงล้อเขาไว้เนี่ยไอ้ที่เป็นตราธรรมจักเขาไว้เนี่ยไอ้กลางตราธรรมจักมันเป็นอะไรเป็นอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญาหนึ่งในกงหยักแต่เวลาธรรมจักหมุนก็คือว่าศีลสมาธิปัญญาในละหมุนก็ไปสู่กระแสจิตของ ของสาธุชนทั้งหลายงนั้นธรรมจักนี่เป็นหน้าที่ของพระคุณยาาทั้งหลายที่จะเผยแผ่ให้จักนั้นหมุนก็สู่ จ, จิตใจของญาติโยมเป็นต้นแล้วก็บอกถ้าจะให้โยมทำสิ่งใดพระเทลรทั้งหลายก็ถวายพระบวรว่าขอให้จัดอาสนะสำหรับภิกษุห0 0ร้อที่ที่ประตูถ้ำสัตบัญข้างภูเขาเวพาละภาษาบาลีใช้คาว่าเวพาละปปัตัดปัดปดปดเส สัตปันนะคูหาทวารเรกาตุงยุตังมหาราชาติข้าเจ้าชาตศตูก็รับสั่งให้จัดสร้างมนต์อันวิจิตประดับงดงามยิ่งราวกับวิสุก ร, รมของของเท พ, พบุตรมานเทลมิตรท่านังนั้นจัดอาสนะของบิกสุทธ์ทั้งหลายไว้ภายในตั้งอาสนะของท่านพหมหากสบไว้หันหน้าไปทางทิศเหนือตั้งอาสนะของพระผู้เมียภาคเจ้าไว้ตรงกลาง ทั้งๆ ท, ที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยแม้นการทำบัตถมสังขยนานั้นก็จัดอาสนะให้กับพระพุทธเจ้าเนีไม่ใช่ไม่จัดนะจัดไว้ตรงกลางตั้งอาสนะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบนพุทธอาฏตั้งพัดอันวิจิตไว้เพื่อเมื่อทําเรียบร้อยแล้วก็รับสั่งให้แจ้งให้ภิกษุสงฆ์ทราบในเวลานั้นท่านพผ้านอนยังไม่ได้เป็นพผ้ารหารนันนะ ภิกษุผู้เทเรฆทั้งหลายจึงได้เตือนท่านว่าพรุ่งนี้จะทําสังกยานณะท่านยังเป็นเศขะอยู่คอยรีบเร่งทําความเพียรให้เบลุปเป็นพระทหารเสียก่อนเพราะการไปสู่ที่ประชุมสังกยาในการเว้นว่าเศขะอยู่ไม่สมควรขอยเพียรอย่าได้ประมาทที่จริงท่านพระนนท์เนี่ยถูกตําหนิแล้วตรงเนี้ยนะเวลาท่านเดินเดินไปก็บอกว่าเอ๊ะพระรูปไหนนะมาชวยกลิ่นว่ากันเขาบอกว่าเดินช่ยกลิ่น พอพูดแค่นี้ท่านรู้นะกลิ่นในที่นั้นเป็นชื่อของกิเลสแปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะท่านผ้าโนนก็ได้ปฏิบัติตามเจริญกายยะคตาส ต, ติอยู่จนค่อนคืนก็ยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษท่านก็คิดถึงดำหลัดของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสกับท่านก่อนที่จะเสด็จดับขันธบริญพานบอกว่าอานนท่านได้ทาบุญมาดีแล้วจักสาเร็จเป็นพระรหา์ในไม่ช้า พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะตัดเนี่ไม่ผิดการที่เรายังไม่ได้บรรลุอาจเป็นเพราะเพียนมากเกินไปจิตจึงฟุ้งซ่านท่านก็คิดว่าเราควรจะเพียนแต่พอดีท่านคิดดังนี้แล้วเนี่ยก็เลิกจงกรมล้างเท้าแล้วก็เข้าไปในวิหารนั่งลงบนเตียงหมายใจว่าจะพักพอเอ็นหลังลงบนเตียงเท้าทั้งสองพ้นจากพื้นทีสะยังไม่ถึงหมอนพนนนระนอนบรรลุอยีอยะบทนี้นะ กึงนั่งกึงนอนเนี่ยจิตของท่านก็หลุดพ้นจากความไม่ยึดมั่นจากอาสวะทั้งหลายบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นอนว่าท่านพ้านนสําำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยเว้นจจเอียบ ท, ทั้งสี่ไม่ใช่อีรียบทเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่แต่คำทำท่าจะนอนได้บรรลุแต่ที่บอกว่าทาท่าจะนอนได้บรรลุเนี่ยเพี้ยนมาไม่รู้เท่าไหร่เลยเนี่ยพอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะ เมื่อพระเทล่กระทำพัตกิจแล้วเก็บบาจีวรได้ไปไประชุมกันที่ธรรมสภาคือที่มนดบหน้าถ้ำสัตบัญญัตคูหาท่านพระนนทไม่ได้ไปพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพราะใครจะให้ภิกษุทั้งหลายทราบตนเองว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อภิกษุทั้งหลายนั่งบนอาสนะของตนตามลําดับอวุโสเว้นที่พระนนท์ไว้พระเทล่ถามว่าอาสนะของใครที่ว่างอยู่ ก็ได้รับคําตอบว่าของท่านพระอนุนทุกอาสนวะหมดเต็มหมดแล้วบอกอาสนะของท่านว่าโนนวางจึงได้ถามต่อไปว่าท่านพระอนุนไปไหนในขนาดนั้นเน่ยท่านพระอนุนก็ได้ชําแลกแผ่นดินผุดขึ้นที่อาสนะของตนหนึ่งดีมาแบบนี้เลยอย่างนี้ไม่ต้องบอกแล้วว่าเป็นพระละหันหรือเปล่าทีนี้เป็นการประกาศว่าท่านเป็นพระละหัน์แล้วน บอกว่าแต่ในยะที่ท่านบ้านนทมาบางแห่งบอกว่ามาทางอากาศบางแห่งก็บอกมากับพื้นแผ่นดินก็สรุปแล้วก็ท่านมาด้วยด้วยอิทธิฤทธิเนี่ยเมื่อท่านผ้านนนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระมหากระก็ฐานที่ประชุมว่าเราจะทำสังคยาพระธรรมหรือพระวินัยก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าข้าแต่ท่านพระกระ พระวินัยนั้นชื่อว่าเป็นอายุของาศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่าศาสนาก็ดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเราจักสังคยาวินัยก่อนท่านพระมหากสอบก็ถามต่อไปว่าพระวินัยเป็นธุลาของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นทุลาของท่านพระอุบาลีลำดับนั้นท่านพระมหากสอบจึงสมมติตนเองเป็นผู้ถามพระวินัยแม้ท่านอุบาลีก็สมมติตนเองเป็นผู้ตอบ ท่านสมมุติเรียบร้อยแล้วท่านอุบาลีก็ได้ไปทจีวรเฉี ย, ยงบ่าข้างหนึ่งว่ายเท้าภิกษุทั้งหลายแล้วก็นั่งบนธรรมะจับพัดอันวิจิตด้วยงาเมื่อท่านพระมหากระศพได้ถามพระวินัยเริ่มตั้งแต่ปฐมประชิกเป็นต้นไปเนี่ยท่านพระอุบาลีก็ตอบให้ทราบแล้วแก่ภิกษุห้ารอยลูปและภิกษุห้ารอยูปเนี่ยนะก็ สวดประมบรารชิกพร้อมทั้งนิทานเรื่องราวความเป็นมาพร้อมกันแม้ศึกษาบทที่เหลือก็กระทำโดยทํานองนี้ฉะนั้นการสังขยนณาพระวินัยก็จบลงด้วยประการชนนี้เมื่อจบแล้วท่านพระอุบาลีรก็วางพัดอันวิจิตด้วยงาลงจากธรร ม, มาตุกับไปนั่งที่อยู่ของตนสมัยก่อนเขาถามกันเร็วไม่ใช่ถามกันช้าๆใช่ไหมอยา่างทุกวนถามว่าไงไไม่รู้ลืมปไปเง เขาเร็วมากพวกคนในยุก่อนเนี่ยนะพระ น, นนเนี่ยเราพูดสิบหกเราพูดพระเราพูดคำหนึ่งพระนร น, นพูดได้สิบหกคำนึเขาเร็วขนาดนนขนาดนั้นนะพูดเร็วมากคนที่เขาพูดเร็วเนี่ยลิ้นเนี่ยนะชิวหาเขาดีลิ้นจะยาวและอ่อนไม่หนาแข็งเทอะทะาเหมือนลิ้นคนปัจจุบันเนี่ยเวลาพูดอะไรก็ออกอักขรไม่ค่อยชัด ขนาดพูดดีที่สุดในคนในยกนี้นะถือว่าแย่ที่สุดถ้าเทียบกับค น, นยกุยก่อนนี่เป็นอย่างนี้สมัยก่อนบวชเวลาบวชมาใหม่ๆเนี่ยเขาให้สวดมนต์ท่องสาทยายประธรรมกันเนี่ยนะโอ้โหท่องอยังไงก็ไม่ค่อยได้ต้องจะไปใช้ไปเอาไม้เอาไม้ไผ่บางๆมาขูดลิ่นกันเออต้องขนาดนั้นจริงๆังนั้นขูดให้บางแล้วก็สวด ท่านเมื่อทำสังคายนาพระวินัยเรียบร้อยแล้วจึงได้สังคายนาพระธรรมต่อไปท่านพระมาหากระสอบก็ถามที่ประชุมว่าพระธรรมนี่เป็นธุระของใครก็ได้รับคําตอบว่าเป็นของท่านพระนนท์ท่านพระมาหากสอบจึงได้ประกาศท่ามกลางสงฆ์ว่าท่านจะเป็นผู้ถามพระธรรมกับท่านพระนนท์แม้ท่านพระนนท์ก็ประกาศเกศสงฆ์ว่าท่านวิสัชนาพระธรรมที่พระมาหากสอบถามแล้ว คันแล้วท่านพระอนุนก็ลุกจากอาสนะกนระทําจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายแล้วนั่งบนธรรมะจับพัดอันวิจิตด้วยงาท่านพระมหากระสอบจึงถา ม, ท, า ท, มท่านพระธรรมกะท่านพระนนได้ถามพระธรรมกับท่านพระอนุนบอกว่าเริ่มตั้งแต่พมชารสุตรเป็นต้นไปเนี่ยนะพระผููวิภาคเจ้าแสดงที่ไหนปารบใครซึ่งท่านพระนรมก็ตอบว่าพระผูมิเมียภาคเจ้าแสดงที่ แสดงพระเรือนหลวงชื่ออัมพรัติกาในระหว่างเมืองราชคลีกับเมืองนารันทาเนี่ยนะทรงปารภสุปิยาภริภาชคแล้วก็พรหมทัตตามานพการถามตอบดําเนินมาอย่างนี้จนครบห้านิกายก็คือเริ่มตั้งแต่ทีคณิกายจบทีคณิกายก็มัชชิมานิกายมัชชิมานิกายก็สังยุตตะนิกายอังคุตระนิกายแล้วก็ขุทักานิกายเป็นต้นเนี่ยนะ จนจบสังคายนาพระธรรมในการสังคายนาครั้งแรกเนี่ยเมื่อได้ถามตอบกันเป็นลําดับตั้งแต่ทีขนันกาลจนถึงขุทักขันธกายแล้วเนี่ยจนมาถึงมงค ล, ลสูตรในขุทักขนิการสอบถามกันเป็นไปตามลําดับก็คือไล่ไปตามลําดับท่านพระมหากระสอบได้ถามว่ามงค ล, ลสูตรเนี่ยใครแสดงแสดงเมื่อไหร่ปารอบใครถามอย่างเงี้ยนะถามพวกเรา ฟังไปแล้วรอบหนึ่งไหมมงคลสูตรนี่แสดงแก่มงคลสูตรนี่ใครแสดงยงพิษตอบว่ใครแสดงและแสดงเมื่ อ, อไหร่นี่งเงียบเลยเดี๋นี้นน <c oughs> ซึ่งท่านผ่านนก็ได้ตอบให้ทราบดังปรากฏในตอนต้นของวสุที่ว่าข้าพระเจ้าชื่อว่าผ่านนได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อารามของท่านนาถาปินที่กเศเสตีคือที่วิหารเชตาวันใกล้เมืองสาวัตถีครั้งนั้นน่ยบอกว่าปาลกใครอ่ะครั้งนั้นเน่ ย, ลลนน เ, นยเทวดาตนหนึ่งเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วใช่ไหมมีรัศมีงดงามยิ่งทําเชตาวันทั้งสิ้นให้สว่างสวายในยุคนั้นเทวดามาโลกมนุษย์นี่เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่ามาแล้วเนี่ยได้ประโยชน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับคั้นเข้าไปถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมแล้วยืนอยู่หนะ้าที่ควรส่วนหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีผู้หวังความเจริญเนี่ยนะได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอให้พระองค์ได้โปรดตรัสบอกอุดมมรงคลพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัส ด, ด้วยคาถาว่าอาเสวนาจะพาราังปันติตานันจะเสวนาเป็นต้นเนี่ยเพราะเหตุในอตัตถกถาจึงกล่าวว่าท่านพระนนทได้กล่าวว่าสูตรนี้เมื่อคราวปฐมสังคยนาสำหรับเหตุที่เกิดพระสูตรนี้มาจากมหาชนในชมพูทวีป ได้มีการชุมนุมกันที่ประตูเมืองและที่ศาลาสนทนากันด้วยเรื่องที่ไม่มีประโยชน์คนในยุ ก, ก่อนเขาเขาชุมนุมกันแล้วก็สนทนากันเเช่นเขาก็ชุมนุมกันเรื่องนางสีดาเนี่ยเรื่องทศกัณฐ์เรื่องอะไรเนี่ยพอสนทนากันแล้วมหาชนก็ให้เงินและทองเป็นรางวัลแก่ผู้ที่สนทนาเลยแล้วใครสามารถเล่าเรื่อง ประเภทที่วรรณคดีวรรณกรรมอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าเล่าได้ดีก็เหมือนนักสแสดงทั้งหลายเนี่ยเนียเขาก็ไปให้เงินกันการสนทนานั้นบางเรื่องก็กิกนเวลาถึงสี่เดือนยึงจบยาวขนาดนั้นนะแขกนี่คุยเก่งจริงๆเนะคือเห็นไหมบางเรื่องเนี่ยลองเอามาแสดงกันจริงๆโอ้ใช้วเวลานานนะอย่างเช่นคนเขาชอบบางคนเนี่ยชอบมาก ชอบไปดูไอ้ละครดูโขนดูอะไรเนี่ยชอบไปดูอย่งนพอมีการแสดงกันไม่ได้แล้วจองบัตรซื้อตั๋วกันก็ต้องไปกันเนี่ยลักษณะงอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> เรื่องรบลาฆ่าปันเรื่องอะไรกันต่างต่างอะไรเนี่ย <c oughs> วันหนึ่งก็เลยเกิดปัญหากันถามกันขึ้นมาบอกว่าอะไรเป็นมงคลบอกเลยใครรู้จักมงคลบ้างชายคนหนึ่งถือทิศฐ้ มงคลคือรูปที่ได้เห็นว่าเป็นมงคลที่ว่าเป็นมงคลก็คือว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็บอกเห็นนกเนี่ยเป็นมงคลใช่ไหมเห็นนกเห็นต้นไม้เห็นเด็กที่แต่งตัวงามๆหรือได้เห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่โลกสมมุติว่าเป็นมงคลลักษณะอย่างนี้คือพวกทิฏฐะมังคลิกะพวกอารมณ์ที่ดีๆมาปรากฏทางทวารตาว่าเป็นมงคลเนี่ย กลุ่มไม้มงคลวันก่อนก็บอกเ้าบอกว่าเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุทธภาหารศุขเสาร์เนี่ยเขาจะมีไม้ไปจําวันเป็นมงคลนะบอกงั้นนะถ้าเกิดวันนี้ต้องปลูกไม้นี้ก็จะเป็นมงคลเงี่ยอันนี้พวกที่ถามมังคลิกะด้วยเห็นว่าต้นไม้เป็นมงคลใช่ไหมเออถ้าปลูกใกล้ๆบ้านจะเป็นมงคลมงคลก็บอกนี่นะเขาบอกว่าเออ ต้นมะขามเนี่ยถ้าปลูกใกล้บ้านเนี่ยคนก็จะเกรงขามกว่ากันก็อเอาถือเป็นมงคลก็ว่ามงคลก็ต้นต้นไมยมก็ว่าถ้าปลูกไว้ใกล้บ้านโอ้ยคนจะนิยมมะแต่เห็นทะเลาะกันอย่างอเลยปลูกต้นไมยมเนี่นี่ก็ถือว่าไม้มงคลแล้วมีเยอะพวกไม้มงคลพวกว่านพวกอะไรเงี้ยว่านเศรษฐีว่านจันแดงเะไรก็หากันมาเต็มหมดเละ อยาว่าแต่คารวะนะไปเจออยู่วัดหนึ่งเขาปลูกไม้วงคุณเขาบอกเนี่ยวงนีออ้เป็นวงคุแล้ววันวันหนึ่งก็ไม่ทําอะไรกันแล้วก็เมียมีหน้าที่เนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกเส็เสร็จก็คอยลดน้ําต้นไม้คอยอะไรต่างๆเหล่ า, าลนี้ยจ้าระวันอยู่อย่างงั้นเลยเขาบอกว่าถือเป็นมงคุและที่หนักไปกว่านั้นเขาบอกว่าเนีเ่ยะถ้าออกดอกขึ้นมาแล้วเขาบอกก็ถูกหวยมาหลายงวดเลยนี่ในหนัก ไอ้กลุ่มเนี่ยกลุ่มมงคลชัดเลยนี่เขาเรียกพวกทิฏฐานมังคริกะกลุ่มกลุ่มได้เห็นเป็นมงคลทีนี้ส่วนอีกชายอีกคนหนึ่งเป็นพวกสุตตะมงคลนะคือถือการได้ยินว่าเป็นมงคลบอกว่าคือกลุ่มนี้บอกว่าไม่ใช่หรอกการเห็นเป็นมงคลไม่การได้ยินทีว่าั้นนะการได้ยินที่ถือเป็นมงคล เพราะธรรมดาเนี่ยนะนั้นตาย่อมได้เห็นรูปที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างสะอาดบ้างสกรปรกบ้างถ้าการเห็นเป็นมงคลแล้วตาก็จะต้องเห็นแต่สิ่งดีๆเท่านั้นฉะนั้นการได้ยินต่างหากเป็นมงคลบางคนตื่นแต่ช้ามาก็ได้ยินแต่เสียงที่เพลอเสียงววยพรเป็นต้นเหล่านี้นะเสียงที่โลกสมมุติว่าเป็นมงคลอันนี้ก็เกี่ยวกับได้เกี่ยวกับเสียงบอกเลี้ยงนกเขานี่ เลียงบกนกทั้งหลายเขาเขาเขาต้องการเสียงนะเขาเนะ่ยเขาว่าถ้าเสียงร้องแบบนี้เป็นมงนกุลก็ดีดนิ้วแป๊กเนี่ยร้องมันมีอยู่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเอามาแสดงกันไอ้นกเขาเนี่ยตัวล ะ, ละล้านห้าโ <c oughs> บภาภาก็ดู <c oughs> เขาบอกนี่เขาไปแข่งชนะกันมาไว้รู้แบบนี้ตัวละหนึ่งล้านห้าบอกโอ้โหสดิราชานแพงขนาดนั้นเน่ย คือคือเขาบอกถ้าได้ฟังเสียงแล้วจะเป็นจะเป็นมงคลเสียงประเภทนี้บางทีเนี่ยต้องต้องคอยเฝ้าอยู่เนี่ยเฝ้าอยู่นี่แหละ ว, ว่าว่ามันจะร้องเมื่อไหร่บางพวกถือไอ้พวกว่าเสียงร้องเป็นมงคลเนี่ยบงคนแม้เนี่ยฟังเสียงตุกแกร้องเนี่ยเป็นมงคลเนี่ยฟังนับเลยว่าตุแกร้องก็เริ่มนับเลยหนึ่งสองนับพอนับพอร้องได้ไม่ถึงเก้าครั้งเนเครียดเลยเขาบอก <c oughs> นี่เขาเรียกว่าพวกมีพวกสุดตามมังครีกอะพวกพวกถือเสียงเป็นมงคลเขาก็เถียงกันและไม่ใช่แต่ในยุคสมัยก่อนแม้ปัจจุบันก็มีนะถือเสียงเป็นมงคลเนี่ยเออเสียงแบบนี้เป็นมงคลเนี่ยเขาก็จะสแสวงหาเสียงลางเส้นอะไเหมือนกันว่าเจอหน้ากันก็ให้พรกันนะขอให้มีความสุขขออะไรต่างๆก็โอ้เป็นมงคลนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลก็เขาถือว่าการพูดดีๆเป็นมงคลกัน ชายคนที่สามก็บอกว่าพวกมุตตามังคริกะคือการได้ทราบว่าเป็นมงคลค้านบอกว่าธรรมดาเนียหูก็จะยินเสียงที่ดีและไม่ดีบ้างถ้าได้ยินเสียงดีเป็นมงคลเนี่ยก็น่าเชื่อถือแต่ถ้าได้ยินเสียงที่ไม่ดีจะจัดว่าเป็นมงคลได้ยังไงฉะนั้นก็บอกว่าสิ่งที่ทราบคือทั้งทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายต่างหาที่เป็นมงคลนั้น กลิ่นเป็นมงคลรถเป็นมงคลสิ่งที่สัมผัสกายเป็นมงคลเนี่ยเช่นกลิ่นหอมหอมเนี่ยใช่ไหมกินโทูกินอะไรต่างๆอ่ะกินกรํายานกินอะไรต่างๆอันนี้ก็บอกว่ากินอะไเนี่ยถ้าไปปักเขาไว้เป็นมงคลหนูเธอว่าเป็นมงคลเพราะกลิ่นส่วนรถเนี่ยก็เกี่ยวกับรถอร่อยอร่อยเป็นต้นนะแต่งงานก็บอกทําขนมชั้น เขาทำเป็นชั้นเยอะเขึ้นมนาถามไปถามคนเท่าคนแก่ก็ทําทํา ำ, ำไมเขาบอกอันนี้เป็นเป็นขนมมงคลกันไปรู้เลยกหรืออย่างขนมไหว้พระจุงพระจันทร์เนี่ยเนี่ยของพวกนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลครับถ้าทำพวกนี้เป็นมงคลพาเขาบอกว่ามันไม่ใช่พาไปเถียงผมไม่ใช่ พ, พระพุทธเจ้าบอกมไม่ใช่มงคลมันไม่มีไม่มีเกี่ยวกับลักษณะอย่างนี้เราเป็นประเพณีกันไปนะ บางคนทั้งๆ ท, ท, ที่เคยฟังมงคลแล้วนเนี่ยแต่พอไปได้ยินคนพูดนี้เอาไงดีเลยจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อหรือเชื่อมงคลภายนอกสรุปแล้วมงคลภายนอกมักจะมักจะม า, มาก่อนฉะนั้นได้กลิ่นลิ้มรสได้ถูกต้องเป็นมงคลมี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นก็เลยเกิดการเถียงกันเน่ยนะในกลุ่มทิฏฐามังคริกา มุตตามังคริกะแล้วก็สุตตามังค ر ิกะแล้วก็มุตตามังคริกะถ้าทิฏฐามังคริกะ ก, ก็คือกลุ่มเห็นน่ยทางทวารตาเป็นมงคลสุตตามังค ري กะก็คือทางทวารหูมุตตามังคริกะก็คือทางทว า, ารจมูกทวารลิ้นแล้วก็ทวารกายเนี่ยเก็ถือว่าเป็นมงคลกันก็ขัดแย้งกันเกิดเถียงกันสุดแล้วแต่ใครจะเห็นอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นหาข้อยุติไม่ได้ทีนี้ว่า ก็เลยเกิดการเถียงเกิดการอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยพอบอกว่าสิ่งนั้นต้องเป็นมงคลอยู่ตลอดทุกเวลาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วันนี้เป็นมงคลพรุ่งนี้ไม่เป็นมงคลน่ยถ้าเป็นมงคลทั้งหลายสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเจริญขึ้นถ้าสิ่งที่เขาเหล่านั้นถือว่าเป็นมงคลเป็นเหตุให้เจริญว่างเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมบ้างจะเชื่อว่าเป็นมงคลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะเมื่อตกลงกันไม่ได้อะไรเป็นมงคล ปัญหานี้ก็ได้แพร่ไปทั่วชมพูทวีปในยุคนะไม่แน่นะพวกเราอาจจะเป็นประเภทมงคลประเภทไหนก็ได้นะในยุคก่อนๆนนะถ้าเคยเกิดมาเนี่ยนเะพราะในยุคนั้นก็เถียงกันจนยันชมพูทวีปนะเรื่องมงคลเนี่ยพวกอารักษ์เทวดาก็พอยได้ทราบเรื่องราวจากพวกมนุษย์ด้วยแต่ก็คิดไม่ออกพอมนุษย์เถียงกันใช่ไหมพวกเทวดาที่อยู่ใกล้ๆ ก, ก็เริ่มมาแอบหูฟังงว่านะโอ๊ยมันมนุษย์เถียงอะไรกันอ่ะเถียงเรื่องมงคล เทวดาก็เอาไปคิดเหมือนกันเออนะ่าคิดเหมือนกันนะเทวดาก็ไปเถียงกันนี่เทวดาชั้นต่ำเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่เทวดารุ ก, กเทวดาเป็นต้นเนี่ยเทวดาก็ถามปัญหากันเฮ้ก็คิดไม่ออกไล่ไปตามลําดับชั้นเลยแต่เนี่ยจ้าตัวมหาราชิกาตาวติงสาเป็นต้นเนี่ยสรุปแล้วแม้นแต่เทวดาชั้นสูงสูงก็ตอบปัญหาไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็ถามปัญหาชั้นสูงเป็นลําดับตลอดจนหมื่นจักรวาลจนถึงพรหมรโลก แต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบก็เลยเกิดโกลาหน์ขึ้นมาเลยโกราหนเนี่ยเนีเรื่องของความโกลาหนในอาัจฉริยท่านเล่าไว้มีอยู่ห้าอย่างเขาถามว่าโกลาหน์มีกี่อย่างมีห้าคำว่าโกลาหน์เนี่ยเขาเรียกว่าความสับสนอุละมานก็คือกับป่าโกลาหน์หนึ่งจักกวติโกลาหน์หนึ่งพุทธโกลาหน์หนึ่ง มังคละโกลาหหนหรือมงคลโกลาห์หนึ่งแล้วก็โมเนยะโกลาหหนึคำว่ากัปปะโกลาห์นนะ้นั่นคือเมื่อกลับจะพินาธเทวดาทั้งหลายในชั้นกามาวจรก็ได้พากันสยายผมนุ่งผ้าแดงแปลงเพศแปลกๆเที่ยวเหาะร้องไห้ให้มนุษย์ใน